วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรมและวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนด ให้ศรัทธายาโยผู้มีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมใฝ่กุศลผู้ปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ให้หยุดการกระทาภารกิจการงานทางร่างกายคือการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและหาความสุข ทางร่างกายไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของจิตใจและความสุขของจิตใจที่ดีกว่าที่ยั่งยืนกว่าความสุขทางร่างกายทรัพย์สมบัติทางร่างกาย เพราะทรัพสมบัติทางร่างกายและความสุขทางร่างกายจะอยู่ได้แค่ชั่วขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองของร่างกายความสุขของร่างกายใจก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว สิ่งที่ใจจะเอาไปได้คือทรัพย์สมบัติของใจและความสุขของใจแต่ถ้าเราไม่มีเวลามาสร้างทรัพย์สมบัติทางใจสร้างความสุขทางใจเราก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติทางใจความสุขทางใจติดตัวไปกับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นความทรงห่วงใยในสภาพของพวกเรากลัวว่าจะตกอยู่ในสถานภาพลำบากหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าใจไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีความสุขภายในติดตัวไปใจก็จะไปอยู่อย่างทุกข์ลำบาก ไปอยู่ในทุกขติไปอยู่ในอบายสี่สถานแต่ถ้ามีเวลามาศึกษาเรียนรู้วิธีหาทรัพย์ภายในหาความสุขทางใจแล้วมีการปฏิบัติเพื่อสร้าง ทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขภายในให้เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายตายไปทรัพย์ภายในของใจความสุขภายในของใจก็จะติดไปกับใจแต่ทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ของร่างกายความสุขของร่างกายใจยไม่สามารถเอาติดไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเป็นทรัพย์ของร่างกายแต่ร่างกายก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์ของร่างกายหรือความสุขทางร่างกายได้แล้วเพรร่างกายนั้นตายไปแล้วร่างกายก็ไม่สามารถทําอะไรได้ต่อไปนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้มีวันพระขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวัน ให้เราได้มีเวลาว่างจากการทำภารกิจทางร่างกายเพื่อมาทำภารกิจทางจิตใจกันมาศึกษาวิธีสร้างความสุขสร้างทรัพสมบัติทางใจกันเพื่อที่เราจะได้สร้างกันขึ้นมาเมื่อเรามีการปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราก็จะค่อยๆสร้างทรัพสมบัติ ของใจและความสุขของใจขึ้นมาตามลำดับแล้วก็จะสามารถเก็บไว้ในใจของเราได้เอาไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายนี้ถึงแก่ความตายไปแล้วยังต้องมีเวลาให้กับการศึกษาและปฏิบัติ ตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะทรัพย์ภายในก็เหมือนทรัพย์ภายนอกต้องหากันต้องสร้างกันขึ้นมาทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ของร่างกายเราก็ต้องออกไปทํางานทําการหาไรายได้เข้ามาเ mm hmm. มื่อเรามีไรายได้เราก็จะมีทรัพย์ของร่างกายแล้วเราก็จะใช้ทรัพย์ของร่างกายไปซื้อความสุขทางร่างกายกัน ไปซื้อความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆในขณะที่ร่างกายมีชีวิตยอยู่เราก็สามารถใช้ทรัพย์ของร่างกายได้ใช้ทรัพย์ซื้อความสุขทางร่างกายได้แต่พอร่างกายตายไปใจก็จะไม่สามารถใช้ร่างกาย ไปหาทรัพย์ทางร่างกายและไปชื่อความสุขทางร่างกายได้อีกต่อไปพอร่างกายตายไปแล้วสิ่งที่ใจจะต้องพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับใจก็คือทรัพย์ภายในของใจและความสุขที่มากับทรัพย์ภายในของใจนั่นเองนี่คือความนี่คือเหตุผลว่าทำไม พุทธศาสนาจึงมีวันพระกันถ้าไม่มีวันพระศรัทธาญาติโยมก็จะไม่หยุดทำงานกันไม่เข้าวัดกันไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมกันแล้วถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมกันก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมกัน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้คุณให้ประโยชน์แก่จิตใจของสัตว์โลกนี้ได้อย่างมากที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้สัตว์โลกได้รับทรัพย์อันประเสริฐอันทรัพย์ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทรัพย์ของพระนิพพาน นิบานังปละมังสุขขังความสุขของพานิพานเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่่อไม่มีความสุขอย่างใดในโลกนี้ที่จะมีความสุขเทียบเท่ากับความสุขของพานิพานได้เพราะความสุขทางโลกก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปแต่ความสุข ที่ได้รับจากการศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานก็จะได้รับความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงชาวผู้เราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการปฏิบัติในวันพระกัน เพราะการศึกษาและการปฏิบัติก็เหมือนกับการไปโรงเรียนการไปโรงเรียนนี้ก็ต้องไปตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันคิดดูกว่าจะได้ปริญญาตรีมา น, นี่ต้องไปโรงเรียนกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงท่านปริญญาตรีนี้ใช้เวลาอย่างน้อยก็ 16.. 16ปีด้วยกัน ถึงจะได้ปริญญากันผลประโยชน์แรือความรู้ความสุขความเจริญมือทรัพย์ทางใจก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้เวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติไม่เอาเวลาไปใช้กับเรื่องราวอย่างอื่นสมัยที่เราเรียนหนังสือกันเราก็ไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นเช้าก็ไปโรงเรียนเรียน เนกลับมาบ้านก็ทำการบ้านพักผ่อนหลับนอนตอนเช้าเราก็ไปโรงเรียนกันต่อยกเว้นถ้าเป็นวันหยุดอา<ม>ทิตย์หนึ่งก็มีการหยุดสองวันเสาร์อาทิตย์ให้ได้พักผ่อนบ้าง<ม>แต่นอกจากนั้นแล้วเวลาทั้งหมดก็ต้องให้กับการไปศึกษาที่โรงเรียนไปทำการบ้านแล้วก็ไปทำข้อสอบต่างๆจนกว่าจะเรียนจบ<ม>ถึงจะเลิกเรียนได้ ทางธรรมก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเวลาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างอย่างต่อเนื่องไม่ควรที่จะไปทําภารกิจอย่างอื่นในช่วงที่ไปทำการศึกษาไปทำการปฏิบัติถ้าเราไม่มีวันพระ เราก็จะไม่เอาเวลาว่างของเราวันที่เราหยุดทำงานมาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะเราจะถูกกำน้าของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาคอยดึงให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันเราเอาเวลาไปทำมาหากินก่อน เพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วพอถึงวันหยุดทำงานก็เอาวันหยุดทำงานนี้ให้กับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโดพทพพระชนิดต่างๆแล้วพอถึงวันทำงานก็ต้องกลับไปทำงานไปหาเงินหาทองกันอีก เพราะจำเป็นที่จะต้องมีเงินมาใช้ใจ่ายกับการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่แล้วก็เอาเงินทองที่ที่เหลือที่เกิดนี้เอาไปใช้ใจ่ายกับซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันชีวิตของเราก็จะหมุนเวียนอยู่กับการทำงานกับหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็ ใช้เงินที่ได้มาไปซื้อความสุขต่างๆไปเรื่อยๆมันจะติดเป็นเหมือนกับเป็นติดยาเสพติดจะไม่คิดไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะว่าใจมันหิวกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลธภาพอยู่ตลอดเวลาที่สาเหตุที่ใจของเรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะความความหิวใน รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี้เองจิเลวากามะตัญหาพอเรามีกามะตัญหาภายในใจอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทภพะเวลาที่ใจไม่มีร่างกายใจก็ต้องไปหาร่างกายเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากของใจคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆ จะเสบรูปด้วยก็ต้องมีตาจะเสบเสียงได้ก็ต้องมีหูมันจะเสบจะเสบรสได้ก็ต้องมีลิ้นจะเสบกลิ่นได้ก็ต้องมีจมูกจะเสบสัมผัสเน้นน้นอนเย็นได้ก็ต้องมีร่างกายใจยึงคอยไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมืออยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นของชั่วคราวก็ คอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปหามาอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วการเปลี่ยนร่างกายของใจนี้นับจํานวนไม่ได้พบชาติของร่างกายพบชาติของร่างกายที่ใจได้มานี้เป็นจํานวนมากมายมาหาศาลไม่สามารถนับจํานวนได้เพราะมันมาก พระพุทธเจ้าใช้วิธีประมาณเอาด้วยการเอาน้ำตาที่ต้องหลังทุกครั้งที่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องเียวกับความตาย ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะหลั่งน้ำตากันน้ำตาที่เราได้หลั่งมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ถ้าเราเอามารวมกันแล้วก็จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือจำนวนของภพชาติของการมาเกิดแก่เจ็บตายของใจพอต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองปัญหาความอยาก คือกามตันหากามาคือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพตันหาก็คือความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะใจเองนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายใจนี้เป็นเหมือนกับลมเป็นเหมือนอากาศมันว่าง ไม่มีรูปร่างไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายให้เสียงรูปเสียงกลิ่นรสผดธภาได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมามีร่างกายพอได้ร่างกายมาพอคลอดออกจากท้องแม่มาก็เริ่มเริ่มใช้ร่างกายเพื่อหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทันทีแล้วก็รอให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกาย ไปหาความสุขจากรูป <mister> ส <tumors> ินกิจรถให้มีได้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องใช้เวลาให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ต้องใช้เวลาไปศึกษาเรียนหาวิชาความรู้เพราะต้องมีความรู้ที่จะเอามาใช้ในการทำมาหากินหาทรัพย์สินหาทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์สินสมบัติเงินทอง ไปซื้อรูปเสียงกิจลสผลทพธธัในรูปแบบต่างๆมาเสบมาสัมผัสอยู่อย่างต่อเ น, นื่องก็ทำไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวันแก่วันเจ็บวันตายแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปหานางกายอันใหม่มาเสบต่อทำอย่างนี้ไป่เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอ พระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรามาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างความสุขทางใจกันมาสร้างทรัพย์สมบัติทางทางใจกันเพื่อที่เราจะได้หยุดการหาทรัพย์สมบัติทางร่างกายหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันพอเมื่อเราสามารถมีความสุขทางใจได้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปเมื่อเราไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายกับร่างกายอยู่เรื่อยๆต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะได้ยุติลงเราก็จะได้อยู่เฉยๆอยู่อย่างมีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่กัน ท่านอยู่แบบที่ไม่หิวไม่อยากไม่มีความอยากอยู่ด้วยความอิ่มความพอที่เกิดจากการได้ปฏิบัติทำขัดเกลจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาให้ปราศจากความอยากต่างๆที่คอยฉุดลากใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเอง น, นี่คืองานที่พูเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัททํทำกันก็คือมาศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจวิธีที่จะสร้างทรัพสมบัติทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดทรัพสมบัติทางใจความสุขทางใจนี้ก็ มีแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันระดับที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราเรียกว่าระดับของมนุษย์อันนี้ใจของเราเป็นมนุษย์มีมนุษย์สยัญชาติมีมนุษย์ยสมบัติเป็นสมบัติของเราการเป็นมนุษย์ก็ให้ความสุขเราในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นระดับที่ต่ําอยู่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มากกว่านี้สูงกว่านี้ เราก็ต้องพัฒนายกระดับจิตใ จ, จของเราให้สูงจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพให้ได้แต่ก่อนที่เราจะยกระดับจิตใจของเรา en, จากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้เราก็ต้องป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ลงต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ก่อนเพราะถ้าลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์จิตใจเราก็จะเสื่อมลง แล้วความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นจิตใจที่ต่ำลงเสื่อมลงนี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันสาเหตุก็เกิดจากการทำบาปต่างๆถ้าเราทำบาปกันเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดโกหกหลอกลวงเดิมชุลายาเมาถ้าเราทำบาปแล้วเราก็จะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ ใจของเราจะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ให้ลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ก็คือไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรบ้างไปเป็นนสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแทนที่เราจะย ก, กระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอรือบุคคลเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้จิตใจเราลงต่ำ เราต้องป้องกันไม่ให้จิตใจของเราลงต่ำวิธีป้องกันก็คือเราต้องรักษาศีลกนันนี้ละการกระทำบาปกันบาปก็มีอยู่ห้าข้อนี่คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาเพราะเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วมักจะไม่มีสติควบคุมใจ เวลาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทําบาปก็จะไม่มีสติสตังมายับยั้งไว้คนที่มีสตินี้ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความคิดอยากจะทําบาปแต่พอมีสติรู้ว่ากําลังจะทําบาปแล้วรู้ว่าการกระทําบาปนี้มันไม่ดีมันมีความเสียหายตามมาทั้งกับผู้ที่ถูกกระทําและทั้งกับผู้ที่กระทําเอง อย่างน้อยก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตาราง mm hmm. เวลาทำบาปไปฆ่าคนเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะต้องตามจับตัวเอาไปลงโทษ mm hmm. พอมีมีปัญญารู้ว่าการกระทำบาปมีโทษตามมาก็จะไม่กล้าทำถ้ามีสติก็จะยับยั้งความคิดที่จะไปทำบาปได้แต่ถ้าดื่มสุรา จนกระทั่งเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาหรือเสพยาเสพติดที่ทําให้ขาดสติไม่สามารถคอยยับยัง้งความคิดยับยั้งการกระทําได้พอคิดพอคิดจะไปทําบาปก็อาจจะไปทําบาปทันทีแล้วพอทําบาปแล้วก็ต้องไปรับกับผลที่เกิดจากการกระทําบาปผลที่เราจะได้รับจากการกระทําบาปก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกก็คือผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราในปัจจุบันทำร้ายร่างกายของผู้อื่นก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางหรือถ้ามีความสามารถที่จะหลบหนีได้ก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ในทางร่างกายในขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่ แต่ในทางจิตใจนี้มันหนีไม่ได้หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำกรรมมันไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทำบาปด้วยความหลงด้วยการบุญเมาม่ด้วยการขาดสติทำไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ความอยากได้อะไรมากมากก็เลยไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งมากๆมาอันนี้ก็จะทำให้เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรต ถ, ถ้าทำบากด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นไปเจองูไปเจอสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อันตราย แต่เขายังไม่ได้ทำอะไรเราแต่เราไปทําเขาก่อนบ้องกันตัวเราก่อนด้วยการไปฆ่าเขาอย่างนี้อันนี้ก็จะทําทให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทําบาลด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมโกรธเกลียเวลามีใครทําอะไรไม่ดีที่เราไม่ชอบที่ทําให้เราเกิดความเสียหาย ทำให้เราโกรธขึ้นมาก็ญญามีการจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทกันถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนี่อันนี้คือสภาพของจิตใจที่จะตกต่ำจากการเป็นมนุษย์ตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันถ้าเราไม่ทำบาปเหล่านี้ได้ญญไม่ทำบาปด้วยความหลงไม่ทำบาปด้วยความโลภไม่ทำบาปด้วยความกลัว ไม่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆถ้าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายเพราะไม่ได้สร้างบาปเอาไว้ไม่มีบาปที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้ใจก็จะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันที แต่ถ้าเราอยากที่จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ให้ไปถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาจิตใจคือให้ได้รับได้รับทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดเราก็ต้องมีการกระทำเพิ่มเติมนอกจากการรักษาศีลแล้วไม่ทำบาปแล้ว ถ้าเราปิดประตูบาได้แล้วใจเราไม่ลงต่าแล้วนี้ถ้าเราอยากจะให้ใจเราขึ้นสูงเราก็ต้องมีการกระทํามีเหตุที่ทำให้เราขึ้นสูงไปตามลำดับเหตุก็คือบุญบุญก็มีอยู่หลายประเภทหลายระดับด้วยกันบุญที่จะพาให้เราจากมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพได้ก็คือการทําบุญทำทาน ทำบุญทำทานถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไม่จำเปเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ <Yeah. S 1> เราก็แทนที่จะไปซื้อความสุขทางร่างกายซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเอาติดตัวไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายตายไป เราก็ให้เปลี่ยนมาเอาเงินเอาทองนี้มาทําบุญทําทานกันเอาเงินทานําทบุญ ท, ทาํา ท, ท, ทานนี้มาสร้างความสุขให้กับใจและมายกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นคือให้ได้เป็นเทพได้มีสมบัติคือเทวทรัพย์เป็นสมบัติ<ม>เวลาที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ พะมีบุญคือการทำบุญทำทานนี้เป็นเหตุส่งให้ใจมีความสุขส่งให้ใจมีทรัพย์ที่จะสามารถเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้<ม>ซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆในโลกทิพย์ได้ในโลกทิพย์<ม> น, นี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกทิพย์นี้เป็นอย่างไร<ม>ก็เราสามารถดูจากเวลาที่เรานอนหลับได้ เวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนคนตายแต่ตายแบบชั่วคราวตายสักสี่ห้าชั่วโมงหรือหกเจ็ดชั่วโมงตอนนั้นร่างกายก็นอนนิ่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรตอนนั้นใจไม่ได้ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้ใจก็เรางต้องอาศัยบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำไว้เป็นเครื่องมือหาความสุข ด้วยการอยู่ด้วยการสร้างความฝันต่างๆขึ้นมาในใจถ้ามีบุญมากกว่าบากบุญก็จะเป็นผู้ที่สร้างเรื่องราวต่างๆสร้างความฝันต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจที่เป็นเป็นความฝันที่ดีมีเรื่องราวที่ดีให้ได้เสพได้สัมผัสเหมือนกับได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะนี้คืออานาจของบุญ บุญที่เราทําความดีที่เราทํานี้เป็นเรื่องดีๆทังนั้นเมื่อเป็นเรื่องดีเวลาที่มาผลิตความฝันก็จะผลิตความฝันที่ดีให้ให้ใจได้เสพได้สัมผัสแต่ถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นผู้กํากับสร้างความฝันให้กับใจในขณะที่ร่างกายนอนหลับตอนนั้นใจก็จะมักจะ เจอกับความฝันที่ไม่ดีฝันร้ายบ้างฝันที่น่ากลัวบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของใจเวลาที่ไม่มีร่างกายใจจะอยู่ในโลกของความฝันถ้าบาปเป็นผู้กากับสร้างความฝันให้บาปก็จะสร้างความฝันให้ให้เป็นให้เป็นดวงวิญญาณที่มีเรื่องที่หิวโหวยถ้าเป็นเปร ก็จะฝันเรื่องที่มีแต่เรื่องที่ทำให้มีแต่ความหิวโหอยอดอยากขาดแคลนถ้าเป็นอสุรกายบาปก็จะผลิตเรื่องราวที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวต่างๆให้เศษให้สัมผัสถ้าถ้าความมาคาดพยาบาทเป็นผู้สร้างก็จะสร้างแต่เรื่องราวที่มีแต่การฆ่าฟันกันมีแต่การละ ล่างแค้นกันมีแต่การจองเวรจองกรรมกันแต่ถ้าบุญเป็นผู้สร้างความฝันบุญก็จะสร้างแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่สร้างความสุขให้กับใจนี่แหละคือลักษณะของโลกทิพย์เวลาที่เราไม่มีร่างกายกันแล้วใจของเราก็จะอยู่ในรูปแบบของความฝันกันถ้าเราทำบุญมากกว่าบา บุญก็จะผลิตเรื่องราวที่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะสร้างเรื่องราวที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าหิวโหยให้เราได้เสพได้สัมผัสกันไปจนกว่ากำลังของบาปหรือของบุญนี้อ่อนลงไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้กำกับสร้างบุญสร้างความฝันที่ดีหรือฝันที่ไม่ดีได้ เวลานั้นใจก็จะอยู่กลับมาอยู่ในระดับของมนุษย์ใหม่ก็จะมารอารับร่างกายของมนุษย์มาเกิดใหม่ตอนที่เรามาเกิดกันนี้ใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์ก็คือระดับที่เป็นกลางระหว่างบุญกับบาปบุญก็บุญนี้กําลังเท่าๆกับบาปบุญก็เลยไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายได้ ช่งนั้นดวงวิญญาณของเราก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญทําบาปใหม่ตามนิสัยเดิมที่เคยทํามาในอดีตชาติถ้าชาติก่อนๆเคยทําบาเคยทําบาปมากกว่าทําบุญชาติใหม่นี้มาเกิดก็มากแค่ทำบาปมากกว่าทําบุญถ้าชาติก่อนเคยทําบุญมากกว่าทําบาปก็จะกลับมาทําบุญมากกว่าทําบาป มันจะติดเป็นนิสัยมากับใจแต่นิสัยเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเรามีผู้คอยสอนคอยฝึกเราคอยห้ามเราเช่นถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่ชอบทาบุญไม่ชอบทาบาปแต่เราเคยชอบทาบาปเราไม่ค่อยชอบทาบุญแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆเราจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะดึงให้เราไปทําบุญชวนให้เราไปทําบุญใส่บาตชวนให้เรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่โกหกไม่ลักทรัพย์เป็นต้นอันนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยของเราได้ถ้าเราเห็นว่าการทําบุญนี้มีประโยชน์กับใจทําให้ใจเรามีความสุขส่วนเวลาทําบาปแล้วทําให้ใจเราทุกข์ใจให้เราไม่สบาย นิสัยที่เคยชอบทำบาปอาจจะลดน้อยลงไปก็ได้อาศัยว่าได้ไดได้รับการฝุกผลอบรมจากพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ต่างๆให้ดึงไปในทางดีได้ในทางกลับกันถ้าเราไปอยู่ในครอบครัวที่ชอบทำบาปเขาก็จะสอนให้เราทำบาปดึงให้เราไปในทางที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบทำบาปแต่ตอนที่เราเป็น เด็กอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อแม่ของผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องทำตามอิทธิพลของพ่อแม่ไปก็ได้แต่ก็มีมีดวงวิญญาณบางคนบางคนที่ถ้าชอบถ้าไม่ชอบทำบาปมาจนฝังเป็นสันดานนี้ถึงแม้จะไปอยู่กับใครที่สอนให้ทาบาปก็มักเฉลืนไม่ทำตามก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่านิสัยที่ได้สะสมไวน้นี้มีมากมีน้อย ถ้ามีมากก็จะแก้ยากถ้ามีน้อยก็จะแก้ง่ายจะเปลี่ยนง่ายนี่คือที่มาว่าทําไมเวลาพ่อแม่มีลูกพ่อแม่จึงต้องคอยสั่งสอนลูกอบรมลูกถ้าพ่อแม่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษก็จะสั่งสอนให้ลูกรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษก็จะไม่สั่งสอนก็จะปล่อยให้ทําไปตามนิสัยตามความอยากอยากจะทําบาปก็ทําไป ไม่ห้ามปรามไม่ส่งเสริมให้ไปทำบุญเป็นต้นอันนี้คือนิสัยที่เราติดตัวมาจากแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนนิสัยโดยเฉพาะถ้าเราได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คำสอนของพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นคำสอนที่จะมาสอนให้เราเปลี่ยนนิสัยของเรานั่นเองถ้าเราเคยมีนิสัยชอบทำบาป พ, พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงเคยทำบาปมาเคยชอบฆ่าสัตว์ก็ให้เลิกเสียเคยรักทรัพย์ก็ให้เลิกเสียเคยประพฤติผิดประเพณีก็ให้เลิกเสียเคยโกหกหลอกลวงก็ให้เลิกเสียเพราะการกระทำเหล่า น, นี้ มันเป็นโทษกับตนเองและก็เป็นโทษกับผู้อื่นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วนั่นเอง mm hmm. นี่ที่คือประโยชน์ของการที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา mm hmm. เพราะ า, าเราไม่พบกับพระพุทธศาสนาเราไปอยู่กับสังคมที่เขาไม่มีศาสนา mm hmm. เขาก็จะเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน เอาลัดเอาเปรียบกันเอาผลประโยชน์ใส่ตนเป็นหลักไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมขอให้ได้ทําประโยชน์ให้กับตนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ก็ไม่สนใจด้วยการทําร้ายผู้อื่นหรือไม่ก็ไม่สนใจขอให้ได้ทําให้ตนเองได้มีความสุขได้ประโยชน์จากการกระทําของตนถ้าอยู่ในสังคมเหล่านั้นก็เหมือนกับอยู่ในสังคมของสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่ สังคมของศาส์ราฉานนี้เขาก็ไม่มีคำสอนของพระพุพะพทธเจ้ากันเขาอยู่กันตามอารมณ์ของเขาเวลาเขาอยากจะได้อะไรเขาก็หามาโดยวิธีข่มเหงรังแกพูดใช้กาลังสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอันนี้ถ้าไม่มีศาสนามาคอยสอนเรื่องศีลธรรม สังคมก็จะเป็นเหมือนสังคมของสัตว์เดรัจฉานไม่มีการรักษาศีลถึงแม้จะมีกฎหมายไว้ป้องกามแต่บางทีกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอทำให้ไม่กลัวไม่เคารพกฎหมายเพราะว่าคิดว่าสามารถหลบหนีอำนาจของกฎหมายได้ถ้าถูกจับก็อาจจะมีวิธีที่จะซื้อผู้ที่มา มาจับเราไปลงโทษนี่ให้ปล่อยตัวเราออกไปก็ได้อันนี้ถ้าเป็นถ้ามาเกิดในสังคมแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วถ้าเคยชอบทำบาปก็จะทำบาปต่อไปอแต่ถ้าเคยชอบทาบุญมา ก, ก็จะลังเกียจการกระทาบาปอยู่ อ, อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสะสมนิสัยของเรามาในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ถ้าเราได้มาเจอ พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะสอนให้เราพลิกนิสัยที่ไม่ดีของเราให้มันหายไปถ้าเราเคยชอบทำบาสมาพอมาเจอคำสอนของพุทธเจ้าก็จะเลิกทำบาปกันใ ห, ให้ละให้ละการกระทำบาปทั้งปวงคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สมส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือให้เราเลิกทำบาปกันถ้าเราเคยชอบทำบาปเ ค, เคยติดนิสัยในการทำบาสมา ก็ให้ฝืนให้เลิกเพราะของเหล่านี้เลิกได้ถ้าเราฝืนถ้าเรารู้ถึงโทษของมันคือให้มีฮิลีโอตปะฮิลีก็คือให้มีความละอายในการกระทาบาปโอตปะก็มีความกลัวตอบผลของบาปที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วบาปนี้มันยังมีมีผลที่จะตามมา ผลในโลกนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ทำบาปทำผิดกฎหมายแต่อาจจะมีการหลบหนีกฎหมายได้ mm hmm. หรือถ้าถูกจับก็อาจจะมีวิธีที่จะทำผิดให้เป็นถูกได้ทำให้มีการปล่อยตัวได้ mm hmm. แต่ถ้าเป็นผลทางกรรมนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ mm hmm. กรรมนี้เป็นของตายตัวทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็น ผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีควรจะรู้กันว่าการทำบาปนี้เป็นกรรมเป็นการกระทำที่จะต้องทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจของเราต่อไปจต้องเจอกับความทุกข์จากการกระทำบาปจะต้องไปเกิดในอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ ถ้าเรามีฮิริมีอัตตาฮิริก็คือความละอายเพราะคนเหล่านี้ชอบให้คนยกย่องว่าเป็นคนดีแต่เวลาทําบาปแล้วไม่มีใครจะยกย่องเราเป็นคนดีได้เพราะการกระทําบาปนี้เป็นการไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็จะไม่มีผู้มามาชื่นชมยินดีกับการกระทําบาปของเรา เราก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ถ้าเราทําบาปกันนะมักจะหลบจะซ่อนกันทํากันเพราะเรายังมีความอายอยูแ่แต่ไม่มีความกลัวบาปยังกล้าทําบาปอยู่ถึงไม้จะไม่อยากให้คนอื่นเขารู้แต่ก็ยังไปทําอยู่แต่ทําในแบบอ่าต้องทําแบบลั บ, บๆเพื่อไม่ให้คนอื่นเขารู้แต่ถ้ารู้ว่าทําบาปแล้วจะต้องมีผลตามมาอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษในขณะที่มีชีวิตอยู่ แต่เวลาที่ตายไปแล้วนี้จะต้องไปตกนรกไปอยู่กับนบายบาลอย่างแน่นอนถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปได้นี่คือสิ่งที่พู้เจ้าทรงสอนถ้าเราอยากที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจสร้างทรัพย์ที่ประเสริฐให้กับจิตใจการที่จะมีทรัพย์ที่ประเสริฐได้นี้จาเป็นที่จะต้องไม่มีการกระทำบา พอเมื่อเราไม่พอทำบาปแล้วทรัพย์ระดับแรกที่เราจะได้รับก็คือมนุษย์รยทรัพย์เราจะได้มีทรัพย์สมบัติคือของการเป็นมนุษย์ติดไปกับใจเวลาร่างกายตายไปใจยังเป็นมนุษย์อยู่ใจไม่ไปอาบายัยใจไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปเป็นนรกใจก็จะไปเป็นมนุษย์ต่อไปไปรอรับร่างกายของมนุษย์ไปเกิดใหม่ถ้าเรามาสร้างบุญสร้างกุศล ก็ยกระดับจิตใจสร้างทรัพย์ที่สูงกว่ามนุษย์เซทรัพย์ก็คือเทวทรัพย์ได้เราก็จะมีมีทรัพย์ติดตัวไปกับใจเรามีสมบัติเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มีเงินติดตัวไปเงินของเงินสกุลที่ประเทศเราจะไปอยู่เช่นเราไปญี่ปุ่นเราก็เปลี่ยนเงินไทยให้ไปเป็นเงินเยนเหมือนกันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ใช้เงินทองไป แต่เวลาร่างกายตายไปเราไม่สามารถเอาเงินทองนี้ติดตัวไปกับใจได้แต่เราสามารถเปลี่ยนเงินทองนี้ให้เป็นเงินเงินทิพย์ได้เรียกก็คือบุญนี่เองก็คือเงินทิพย์เปลี่ยนเงินเงินที่เป็นเงินที่เราใช้ในโลกนี้ไปเป็นเงินที่เราจะไปใช้ในในโลกทิพย์ต่อไปก็คือบุญนี่เองการทําบุญทําทานนี้จึงไม่ใช่เป็นการศูนเปล่าเป็นเหมือนกับเป็นการไปเปลี่ยนเงินตรา จากเงินตาที่เราใช้กับร่างกายมาเป็นเงินตาที่เราจะไปใช้กับจิตใจในโลกทิพย์ด้วยการทําบุญทําทานต่างๆช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้ อ, อนหรือสนับสนุนผู้การผู้มีการกระทําความดีให้ได้มีการกระทําดีเพิ่มต่อไปเรื่อยๆสนับสนุนองค์กรต่างๆเช่นศาสนาวัดวารามโงรงพยาบาโลโรงเรียนอะไรเป็นต้นเหล่านี้ การทำบุญต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เรามีเทวทรัพย์ขึ้นมาจากมนุษย์เราใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์ก็เราก็จะได้เป็นเทพเวลาตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในในโลกททพที่มีแต่ความสุขในส่วนที่มีความสุขเราเรียกว่าสุคติเวลาที่คนตายไปเรามักจะขอให้เขาได้ไปสู่สุคติ การจะไปสู่สุคติเนื้อไม่อยู่ที่บุญหรือบาป ท, ที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าบุญน้อยกว่า บ, บาป ท, ที่เราทำไว้ก็ไปสู่สุขติไม่ได้จะต้องไปสู่ทุกติแต่ถ้าทาบาปท ถ, ถ้าทาบุญมากกว่าทำบาปใจก็จะไปสู่สุคติได้นี่คือระดับที่สองที่เหนือกว่าระดับของมนุษย์ก็คือระดับของเทพที่เหนือกว่าเทพก็ยังมีอี ก, อกระดับหนึ่งที่เรียกว่า อีกสองระดับด้วยกันคือระดับของพรหมและระดับของพระอริยบุคคลอันนี้ก็เป็นทรัพย์ที่สูงขึ้นที่มีคุณค่าราคามากขึ้นที่ให้ความสุขแก่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากขึ้นกว่าความสุขที่เราไดจากการทําบุญทำทานสิ่งที่เราต้องทําขั้นต่อไปก็คือเราต้องไปฝึกจิตไปปฏิบัติจิตตภาวนาไปรักษาศีลแปลเป็นอย่างน้อย เพิ่มศินห้าจากศินห้าไปเป็นศีล8ถ้าเราไปเป็นเทพแล้วก็รักษาศินห้าแล้วทําบุญทําทานไปแต่ถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมที่เป็นเป็นเป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพของของเทวดาของของเทพมีความสุขมากกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเพิ่มศินจากศินห้ามาเป็นศีล8เพราะว่าเราจะต้องยุติการหาความสุขจากการเสก รูปเสียงกลิ่นรสผดสธภาต่างๆเพราะความความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขที่ยากกว่าที่มีความสุขน้อยกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเสพความสุขที่เกิดจากความกการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบได้เราก็ต้องยุติการเจ็บความสุขทางการอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรส แล้วเราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับการเสร็ความสุขทางการมารมนี้มาให้กับการทำจิตใจให้สงบจิตใจนี้อยู่ดีๆจะให้มันสงบมันก็มันไม่สงบตามที่เราอยากได้เราต้องมีมาตรการควบคุมบังคับให้มันสงบและสิ่งที่จะทาให้ใจสงบก็คือสติเราจะต้องมีเวลาใช้สร้างสติขึ้นมาเพราะตอนนี้สติของเรามีไม่มากพอที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบ ให้เป็นพรหมขึ้นมาได้เราต้องมีเวลาเช่นวันพระนี่เราต้องมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิพระธรรมทั่วทําจิตใจให้สงบเพื่อสร้างทรัพคือพรหมทรัพ์ขึ้นมาให้กับใจสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการเจ็บรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอันนี้แหละเป็นถ้าเราต้องการที่จะสร้างทรัพในระดับนี้มีความจาเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่าง อย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนตามที่พระเจ้าได้ท่งบัญญัติไว้วันพระหนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้เอาเวลานี้มาให้กับการรักษาศีลในขมภ์ก็คือการละเว้นจากการเสพการมาสุขไม่หาความสุขจากการร่วงหลับนอน <c oughs> กับคู่คร อ, องของตนเองอไม่หาความสุขจากการดืม่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขต ตามความอยากต่างๆให้รับทานเพียงครึ่งวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ให้ยุติการรับประทานอาหารการหาความโสดจาง ก, การรับประทานอาหารนืร้อดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการมาเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเพราะว่าถ้าเรายังไปมั่วอยู่กับการหาเงินหาหาอาหารมารับประทานมันก็จะคอย เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปคิดถึงเรื่องอาหารเรื่องขนมเรื่องเครื่องดื่มอยู่ก็อาจจะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้แล้วถ้าดื่มถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปดื่มมากเกินไปก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการจเจริญสตินั่งสมาธิได้เพราะจะทำให้เกิดในความเกลียดคร้านขึ้นมาเวลากินอะไรอิ่มๆก็ไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนอนเวลาจะให้นั่งสมาธิก็จะนั่งสับระกนั่งแล้วก็หลับ ดังการที่มีการถือศีลข้อหกก็คือไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการง่วงเหงาเหงานอนเวลาที่ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิแล้วก็เพื่อให้จะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสติสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปกังวลไม่มีอะไรมาคอยดึงให้ไปคิดหาหาอาหารหาขนมหาเครื่องดื่มมารับประทานนั่นเอง <c oughs> แล้วก็ มีศีลข้อเจก็คือไม่ให้หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือเรื่องมหรสลพบันเทิงต่างๆไม่ดูฟังไม่ร้องลำทำเพลงไม่ดูหนังดูภา พ, พยนตร์ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็งดเว้นจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าภรอนที่วิจิตรพิสดารด้วยการใช้น้ำมันน้าหอมใช้เครื่องสมางสมางต่างๆ ตานนี้ันเป็นความสุขชั่วประเดียวปรดาเป็นความสุขของเทพผู้ที่อยากจะขึ้นมาเป็นพรอมนี้ต้องสลัดความสุขของเทพออกไปให้มาหาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปหาความสุขทางทางบันเทิงหาความสุขจากการเสริมสวยความงามเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองแล้วข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีนอนไม่มากก็คือนอนบ น, นพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกนาๆถ้านอนบนฟูกหนาๆที่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบายแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆไม่มีฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ต่อไป อันนี้คือการที่จะขึ้นยกยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากเทพไปเป็นพรหมเพื่อไปรับรับสมบัติของพรหมก็จาเป็นที่จะต้องละการหาความสุขแบบเท่ไปคือละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เอาเวลามาให้กับการเจริญสติคอยควบคุมความคิดความอยากที่อยากจะกลับไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสให้หยุดคิดให้หยุดอยาก เพราะถ้าสามารถใช้สติทำให้ใจหยุดคิดหยุดอยากได้ใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมาแล้วพอใจนิ่งสงบก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกยลิ่นรสนั่นเององคเจ้าบอกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติพลังสุขถังความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าความ ส, ามสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะ ติดใจแล้วเราก็จะอยากจะให้มีความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเราจะไม่คิดกลับไปหาความสุขแบบเดิมอีกถ้ามีความอยากเกิดขึ้นที่ยังไม่ได้ถูกกาจัดก็จะต้องพยายามป้องกันพยายามหักค่ามันเพราะมันไม่มันมันไม่ดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบอันนี้คือการได้ได้พรหมรับการที่เราจะได้พรหมรั์นี่เราต้องรักษาศีลแปด แล้วก็มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนต้องทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาสตินี้เป็นเป็นทที่เราจะต้องเจริญในเบื้องต้นก่อนพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเจริญสติสติคืออะไรก็คือการเลึกรู้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเพราะถ้าเราไม่มีอารมณ์ไว้ผูกใจไว้ ใจก็จะคิดไปเรื่อยๆพอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปทั้งวันทั้งคืนถ้าใจคิดอย่างนี้แล้วนั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบใจจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลานั้นเราต้องทำให้ใจคิดให้น้อยลงไปก่อนด้วยการผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ไหลไปตามความคิดต่างๆอารมณ์ที่เราใช้นี่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ที่ใช้กันทั่วไปในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆเวลาที่จะเจริญสติให้มีใจมีอะไรคอยยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้ไหลไปกับความคิดก็ให้ใช้พุทธานุสติพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคำบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเรามีการบริกรรมพุทโธไปอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถึงแม้ว่าถ้าเราจะเผลอบ้างเป็นบางช่วงมันเผลอไปคิดเราก็ดึงกลับมาได้พอเรารู้ว่าเรากำลังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราไม่ต้องการให้คิดเราก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาได้เบื้องต้นเราต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาฝึกสร้างพุโทโธขึ้นมาให้ใหมีพุโทโธอยู่ในใจพุโทโธก็สตินี้เป็นเหมือนเบรกเป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้เหมือนกับเบรกของรถยนต์ รถยนต์นี้ถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งไปชนสิ่งต่างๆได้เวลาขับรถเราจึงมักจะตรวจสอบดูก่อนว่าเบรกใช้ได้หรือเปล่าถ้าเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดนี้เราก็จะไม่กล้าขับรถออกไปข้างนอกจะต้องเอารถเข้าอู่ไปก่อนไปไปซ่อมเบรกก่อนเพราะเบรกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเวลาขับรถไปไหนมาไหนจะต้องมีการหยุดรถอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดรถไม่ได้ก็ต้องไปชนกับรถคนอื่น อันใดถ้าเราต้องการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิ <Yeah. S 1> เราก็ต้องมีเบรคของใจเบรคของใจก็คือสติ uh huh. ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิแล้วแทนที่จะนั่งแล้วจะจิตจะนิ่งมันกลับคิดอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีสติยังไม่พอถ้าเรายังไม่มีสติพอเราก็ต้องมาฝึกสติก่อน uh huh. เราสามารถฝึกสติได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะไปทาภารกิจอะไรก็ตามอาบน้านั่งหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุโทโธไปรับประทานอาหารเราก็พุโทโธไปคอยดึงใจให้ไว้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราว่างจากภารกิจแล้วเราก็มานั่งสมาธิได้เลยถ้านั่งยังไม่ได้ก็เดินจงกรมก่อนก็ได้เดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป แต่ถ้าเราไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้เราอาจอยากจะเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์แทนก็ได้แทนที่จะท่องพุทโธพุทโธแล้วก็ท่องบทสวดมนต์เช่นท่องบทอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสภาควาอัลลังสัมาสามพุทโธไปก่อนเพื่อสร้างกำลังของสติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปก่อนพอเราสามารถที่จะอยู่กับพุทโธได้อย่างเดียวเราก็อยู่กับพุทโธไปเวลานั่งสมาธินั่งหลับตาก็พุทโธพุทโธไป ถ้าใจมีพุทโธอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่งเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าไม่ฝึกพุทโธมาก่อนนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะพบกับความสงบได้เลยเพราะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกพอถึงเวลาจะหยุดรถก็หยุดไม่ได้ฉันใดเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อหยุดจิตไม่ให้คิดเพื่อให้จิตสงบเราก็จะหยุดมันไม่ได้เมื่อเราหยุดไม่ได้เราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ยกระดับจิตใจ ของเราให้ขึ้นไปสู่ระดับเทพร ะ, ร, ะระดับพรหมได้คือการเข้าฌานนี้จะเป็นเป็นการยกระดับจิตใ ห, ให้ขึ้นสู่ระดับของพรหมนั่นเองถ้าใครสามารถเข้าสมาธิาเข้าฌานได้จิตก็อยู่ในระดับของพรหมพรหมนี่ก็มีอยสองระดบับระดับรูปประพรมกับรูปประพรมขึ้นอยู่กับระดับของสมาธิระดับของฌานถ้าได้ฌานฌานหนึ่งถึงฌานสี่เราเรียกว่ารูปประฌานก็จะได้ได้ได้เป็นรูปประรม ถ้าถ้าได้ฌานระดับอรูปปภมเราก็จะได้ได้เป็นอรูปปภมอรูปฌานก็จะทำให้เราได้เป็นอรูปปภมนี่คือนี่คือทรัพสมบัติถ้าเกิดเวลาเราตายไปจจิตของเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นรูปปภมหรืออรูปปภมตามกำลังของสมาธิที่เราได้ฝึกฝนอบรมไม ซึ่งเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็สวรรค์ชั้นรูปประพรมก็มีความสุขน้อยกว่าความสุขสวรรค์อรชันอรูปประพรมนี่คือภพทั้งสารภพที่เรายัางเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แต่จะเป็นภพที่อยู่ในสุคติคือได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมถ้าเราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าหุ่มละการกระทำบาปไม่ไม่ทบาป ทำแต่บุญทำกุศลแล้วก็มีเวลาก็ไปฝึกจิตเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่มีคนรู้คนสอนกันมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอันยาวนานแต่ที่จะไปสูงขั้นสูงกว่าขั้นขั้นของพรมนี้คือไปขั้นขั้นของพระ อ, อริยบุคคล น, นี้ ยังม่ต้องมีการไปต้องมีการไปพบกับพระพุทธพระเจ้าหรือพระอริยสงสาวกผู้ที่จะรู้วิธีที่ยกย ก, ยกระดับจิตให้ขึ้นจากชั้นพรมให้ขึ้นไปสู่ชั้นอริยะได้ชั้นอริยะนี้ต้องจําเป็นที่ต้องเจริญการภาวนาอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาภาวนาภาวนานี้มีแบ่งส่วนสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ แต่เป็นความสงบที่แบบชั่วคราวพอจากสมาธิมาใจก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทําให้ใจไม่วุ่นวายทําให้ใจสงบไปตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญามากําจัดเหตุที่มาทําให้ใจไม่สงบเหตุที่ใจไม่สงบพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือกิเลสตัณหาของใจนี่เวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาจเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาใจจะไม่เป็นปกติ ใจจะฟุง้งซ่านใจจะเครียดใจจะกังวลกังวายกังสับกังสายวิธีที่จะทําให้ความความอยากความโลภความโกรธต่างๆหายไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนให้รู้ว่าสิ่งที่ใจโลภใจอยากนี้มันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นใจโลภอยากกับอะไรก็โลภอยากกับความสุขทางโลกนั่นเองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ก็ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นความสุขอย่างถาวรมันเป็นมันเป็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือหมดไปถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะเสพนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นของที่มันไม่ยั่งยืนถาวรมันเปลี่ยนได้มันมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมได้มีเกิดได้แล้วก็มีดับได้พอเรารู้ว่ามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ เราก็จะหยุดความอยากได้ไม่ต้องการความอยากพอเราอยากเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นก็จะหายไปใจก็จะสงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิเลยแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะว่าใช้ปัญญากำจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจเวลาที่เอา อ, ออกจากสมาธิมาก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆด้วยการเห็นใจรักในสิ่งต่างๆที่อยากได้ พอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะไม่อยากจะได้อะไรต่อไปพอใจกำจัดความอยากที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะสงบตลอดเวลาสงบอย่างถาวรนจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สงบอีกต่อไปใจที่ไม่ใจที่ไม่มีความโลภความอยากต่างๆใจที่สงบอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่า น, นิพานนี่เองนิบานังปรามังสุ ข, ขงัง กิจากการที่เราได้ปฏิบัติทำขั้นต่างๆมาตั้งแต่ต้นขั้นแรกก็คือด้วยการละการกระทําบาปต่างๆขั้นที่สก็ทําบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมขั้นที่สามก็มาชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับถ้าเราทําได้ทั้งทั้งสขั้นตอนนี้แล้วผลที่เราจะได้ก็คือนิพนานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่พาให้ จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นถูกกาจัดหมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติจิตตภวนานี่เองอนี่คือความสุขในระดับต่างๆของจิตใจที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปกลับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<อ>แต่ความสุขอื่นๆทรัพสมบัติอื่นๆที่ร่างกายหามาได้นี้ใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลย ฉะนั้นอย่าเสียเวลากับการไปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปอย่าไปเสียเวลากับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทางร่างกายมากจนเกินไปจนไม่มีเวลามาให้กับการมาหาทรัพย์สมบัติทางใจหาความสุขทางใจเพราะว่าถ้าเราไปหลงอยู่กับการหาทรัพทางร่างกายความสุขทางร่างกายเวลาตายไปใจจะไปเนเป็นเหมือนขอทานใจจะไปเกิดที่ไม่ดีไปเกิดนื้ ทุกขติไปเกิดในอบายด้าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะค่อยๆยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็จะเพิ่มมีทรัพย์ภายในให้มีมากขึ้นจากมนุษย์ทรัพย์ก็ไปเป็นเทวทรัพย์เป็นพรหมทรัพย์และเป็นพระอริยทรัพย์ในตามลําดับต่อไปอย่างนี้ก็คือเรื่องราวของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ กคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรออยะทาวาเรวาหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตจินางเปตานางุปกะปติกปิชิตตางปฏิต่างตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติอรัโสยถาสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสะนิจจังวุธาปจายินูจตารุธรรมาวาทฐานติ อายุวันโอสุขังภาลางังช่วงถามไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะตอบคำถามกันเพราะหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่สะดวากาว็มีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆถ้าอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่กี่คนผู้ติดตามจากทาง Facebook 330จาก YouTube พระอาจารย์สุ ช, ชาติ361 YouTube ดรวิวิทยุออนไลน์13 c l u b คลับเฮ์8 ผู้มาหน้ากุติ197่รกิเจรวมทั้งหมด9 7้า้อเจ็ดสิบ็ดค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณพานุ หนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีความทุกข์มากไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะตอนนี้มันเริ่มลุกลามไปที่อื่นแล้วเป็นห่วงพ่อกับแม่มากอยากหาวิธีออกจากความเครียดนี้เจ้าค่ะก็ต้องรู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายกับเรานี่เป็นคนละคนกันเราเป็นใจผู้มาดูแลร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ร่างกายก็เปลี่ยนเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์คนใช้รถยนต์เวลารถยนต์เป็นอะไรไปคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์รถยนต์เสียเราก็เอาเข้าอู่ซ่อมไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ไปหารถใหม่ถ้าเรามีเงินมากกว่าเก่าเราก็จะได้รถดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยกว่าเก่าเราก็จะได้รถที่ คือรถรถกันเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นคนรับใช้เราขอให้เรามองอย่างนี้แล้วก็ดูแลมันไปตามมัตรภาพรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปเหมือนกับรถยนต์ดีๆนี่ถ้าเราฝึกจิตสอนจิตให้เราแยกใจออกจากกายได้ใจเราจะไม่ทุกข์ใจสาเหตุที่ใจทุกข์ก็ใจคิดว่าตนเองจะเป็นอะไรไปด้วย ใจคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายตัวเองจะตายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่มีวันตายใจไม่มีวันเจ็บใจเป็นธรรมชาติที่เพียงแต่ลูกที่คิดเท่านั้นเองไม่มีความแก่ความเจ็บความตายในใจต้องฝึกใจสอนใจด้วยวิธีฝึกสตินั่งสมาธิหยุดความคิดที่จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็เปลี่ยนความคิดจากคิดว่าเป็นตัวเราของเราว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นของที่เราได้รับมาจากพ่อแม่แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องส่งกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้านมไฟไปอต้องอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายต้องปล่อยต้องวางต้องยอมรับว่ามันเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยการไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราอ่าเดี๋ยวมีคําถาม <coughs> Good afternoon, ka. Um, I just wondering what is Patom. Uh, Can you speak closer and louder? Okay. What is Patomak? t okay. h uh, o k What is Patomak and uh, what is Patomchan? Would ba you mind to explain? Patom t is first one, number one is Patom. Patom. So we chant the jhana. So we are talking about the first jhana, Patama okay. jhana. Yeah. Thank คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณวิสิทธากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการภาวนาด้วยคําบริกรรมพุทโธจําเป็นจะต้องบริกรรมให้มีความสัมพันธ์หรือตรงกับการรู้ลมหายใจเข้าออกไหมเจ้าคะความจริงไม่เกี่ยวกับลมหายใจเลยถ้าเราใช้คําบริกรรมก็อยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องลมถ้าไปสนใจกับเรื่องลมก็จะไปผูกไว้กับพุโทโธมันจะยุ่งยากมันจะมากเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งสองอย่างเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเรานั่งภาวนานี้เราจะเลือกได้จะพุโทโธก็ได้จะดูลมหายใจก็ได้แต่อย่าไปใช่สองอย่างเพราะว่าพุโทโธเราอาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง ถ้าเราไปผูกไว้กับลมมันก็จะทำไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ง <c oughs> นั้นเวลาถ้านั่งสมาธินี้ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธก็ดูลม <c oughs> ถ้าดูไม่ได้ดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยต้องอาศัยการสวดมนต์สร้างสติขึ้นมาก่อนสวดมนต์ไปภายในใจใ น, ในขณะที่เรานั่งสมาธินี้แทนที่จะใช้พุโทโธเราก็ใช้การสวดไป โดไปจนเ ร, รู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับพุทธโธได้อย่างเดียวแล้วก็กลับมาที่พุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าเราอยากจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุทธโธคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะจากคุณชัยสรรสติปัญญาอัตโนมัติเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนครับก็ตั้งแต่มันเป็นอัตโนมัตินะถึงเวลามันก็รู้เองมันจะอัตโนมัติเมื่อไหร่ ก็คือแล้มันจะคิดของมันไปเรื่อยๆมันจะคิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆเมื่อก่อนคิดไปในทางกิเลสที่ว่าไ อ, Sri อน้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราแต่พอปัญญาคิดปั๊บมันคืนไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอน้นั่ น, นก็ไม่ใช่ของเราอย่นี้เรียกว่าปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วถ้ามองทุกอย่างว่าเป็นตายรักก็เป็นเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้ายังเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเที่ยงเป็นของให้ความสุขกับเราเป็นของเราอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นกิเลสเป็นความหลงข้อสองค่ะการเดินปัญญาทําในขั้นตอนไหนของการนั่งสมาธิครับถ้าจะให้จิตมีกําลังต้องให้จิตรวมเป็นหนึ่งก่อนไหมครับการทําสมาธิกับการทําปัญญาเป็นคนละขั้นตอนกันไม่ไม่ได้ทําเวลาเดียวกัน ทำสมาธิก็ทำสมาธิอย่างเดียวทำจิตให้นิ่งให้สงบไปนานๆพอจิตพอเลิกนั่งสมาธิแล้วอยากจะเจริญปัญญาก็เอามาคิดทางปัญญาคิดทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้อ3ค่ะในช่วงการนั่งสมาธิเป็นเวลานานความปวดเข่าและขาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงพยายามปล่อยวางก็ยังผ่านไม่ได้อย่างเด็ดขาดควรวางใจอย่างไรดีครับ เพราะว่าจิตไม่มีกำลังที่จะปล่อยต้องอาศัยสติตอนงตอนนั้นต้องเพิ่มคำบริกรรมให้มากขึ้นให้อยู่คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถี่ขึ้นให้ใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายให้ได้ให้ลืมความเจ็บไปให้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวถ้าจิตอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวจิตก็จะลืมเรื่องความเจ็บแล้วความเจ็บก็จะไม่มาหลังรบกวนใจจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอจิตสงบแล้วจิตก็อยู่กับความเจ็บได้อย่างไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเพราะความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปมันหยุดทํางานด้วยการใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บเพราะถ้าไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บก็เพิ่มมากขึ้นความทุกข์ใจความเจ็บนี้ไม่ใช่ควรมไม่ใช่ความเจ็บที่ร่างกายแต่ความเจ็บทางใจ ก็จะเพิ่มมากขึ้นจนกรทั่งทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีคําบริกรรมไม่ให้มันไปคิดถึงความเจ็บไม่ให้มัมีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทางใจก็ไม่เกิดขึ้นพอความทุกข์ทางใจไม่เกิดขึ้นใจก็อยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดความเจ็บแล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้อยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุโทพโธให้อยู่ให้มัน น่ไปกับใจให้รู้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดีย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะปล่อยวางความเจ็บได้แล้วจิตก็จะสงบไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายข้อสี่ค่ะอุปจาระสมาธิใช้เดินปัญญาได้ไหมครับไม่ได้หรอกอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิพิเศษที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้มันเป็นเป็นสมาธิที่จะทําให้ผู้เข้าถึงใน สมาธิคันนี้มีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีอภิญญาสามารถนำลึกชาตได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถท่องเที่ยวในโลกสวรรค์นกนรกได้แต่มันไม่ใช่เป็นที่ไปเจริญปัญญาถ้าอยากจะเจริญปัญญาต้องดึงจิตให้กลับมาอยู่ในอัปปนาสมาธิให้จิตนิ่งสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาเพราะถ้าจิตไม่มีอุเบกขาจิตจะไม่มีกําลังไปต่อสู้กับกิเลสลเวลาใช้ปัญญาเพื่อจะกําจัด ก, กิเลส คำถามจากคุณแบงคอกแพ l a เนอร์ค่ะนมัส ก, การกราบเรียนถามครับพระอนาคามีเมื่อจากโลกไปแล้วจะทำความเพียรในชั้นสุดท้าว่าต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหรือต้องกลับมาทำความเพียรเพื่อตัดสั่งโยตที่เหลือจนหมดบนโลกมนุษย์เฉพาะบางรูปเพื่อเป็นพระอรหันครับอ๋อไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถทำความเพียรในสวรรค์ชั้นพรมได้สวรรค์ชั้นสุดท้าวว่า ตอนไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแนละ้วมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจล้วนๆคําถามจากทาง facebook ค่ะวิปัสสนากิเลตคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันลองถาม Google ดูเลยลองเสิร์ชคำว่าวิปัสสนาดูเดี๋ยวตอบแล้วมันจะไม่ถูกต้องตามตามคําแปลแล้วจะโดยเขาเกล่าวหาได้ัไม่รู้ก็ต้องไปบอกไม่รู้ดีกว่ายังไม่มีค่ะไม่มีนะ มีใครอยากจะถามอะไรไหม ย, ยังมีเวลาพอจะถามได้อยู่อีกสักเล็กน้อยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายเพราะพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เชิญนี่ขนาดเป็นอาจารย์มาท่าน อ, อายุเท่าไหร่แล้วยังยังต้องถามเลย <c oughs> กราบพ้าอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้เจ้าค่ะได้มีการอัญเชิญ บรมสารีกธาตุพระเคีื่องแก้วมาจากเมืองจีนมาให้คนไทยได้กราบสักการะบูชาขณะที่เราขึ้นไปกราบสักการะบูชานี่เจ้าค่ะเราควรวางใจอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ฉลาดเจ้าค่ะก็ให้เราวางใจด้วยความเคารพศรัทธาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงนี่คือหลักฐานยืนยันว่านี่คือส่วนหนึ่งของร่างกายของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะ เท่า น, นั้นแหละพระธาตก็มีไว้เพื่อยืนยันว่าบุคคลนี้ใครมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นนิยายแต่ปุงแต่งกันขึ้นมามแต่ไม่มีความวิเศษวิสโสอลัยที่จะทําให้เราเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้<ม>อันนี้เพียงแต่ทําให้เรามีศรัทธามั่นใจว่ามีพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีความมั่นใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของจริงของแท้ที่เราสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้เราได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ถูกค่ะ วางใจแบบนี้เจ้าค่ะเป็นการปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นในปลูกคนที่ยังไม่มีศรัทธาแต่บุคคลที่มีศรัทธาแล้วก็จะรู้สึกเฉยเฉยเรนดา จ, จะตอกย้ําศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเป็นของจริงไม่ใช่เป็นนิทานแต่งกันขึ้นมาเจ้าค่ะคำสอนของท่านก็เป็นคําสอนที่ตรงกับความเป็นจริงที่เราสามารถนํำมาเอาไปปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ให้นในจิตใจวางในลักษณะนี้แล้วก็จะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเจ้าค่ะผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็วางใจตามหลักธรรมของท่านก็คือมองสภาวะทุกอย่างปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นถูกไหมเจ้าค่ะก็ทําตามที่ท่านสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ใช่มีอะไรเป็นตัวเราถ้าปล่อยได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณแม่จ๋ากับน้องมีนาหนูเคยพูทโทพุโทโธทั้งวันถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็จะกลับมาพูทโทพูทโทต่อลองทำแบบนี้ติดต่อกันสามวันติดพอวันที่สี่ตื่นมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความคิดอะไรเลยทั้งที่ไม่ได้พูทโทนะคะพูดคุยเรื่องงานกับเพื่อนพอพูดจบก็จบ ไม่คิดปรุงแต่งต่อต่างจากปกติความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรคะกอจิตเริ่มว่างไงว่างๆจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้านั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบได้ง่ายได้เร็วงั mm ้น hmm. นอกจากการเจริญสติแล้วเราต้องมานั่งสมาธิด้วยเพื่อทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้สงบให้เกิดความสุขกันยิ่งใหญ่ขึ้นมาคําถามจากคุณอุทัยคะ่ะ ลองนั่งสมาธิแล้วทนความเจ็บปวดไม่ไหวต้องทำอย่างไรครับทำไม่ไหวก็ลบเลยหรือรียาบดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าอยากจะไม่เริ่มต้นใหม่ก็นั่งต่อไปใช้ขันติใช้ความอมดทนใช้สติใช้คํมบริการพุโทโธสู้กับความเจ็บไปจกว่าความเจ็บมันจะหายไปเองถ้าเราทำนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปกลับไปเริ่มต้นใหม่ ต่อไปเวลาเราเจอความเจ็บเราก็จะรู้จักวิธีสู้กับมันแล้วเราก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปไม่ต้องกินยาแก้ปวดใช้พุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นธรรมโอสถเป็นยาแก้ปวดที่แท้จริงคือแก้ปวดทางใจใจจะไม่ทุกข์กับการเจ็บปวดของร่างกายแต่ร่างกายมันจะเจ็บปวดขนาดไหนก็มันก็ไม่รุนแรงเท่ากับการเจ็บปวดของใจถ้าเราสามารถกําจัดความเจ็บปวดของใจได้ความเจ็บปวดของร่างกายนี้เราอยู่กับมันได้อย่างสบาย คำถามจากทางยูทู e ค่ะจากคุณทัวผู้ที่ฝึกสติและทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำมีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมไหมครับไม่มีหรอกครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอายุท่านน้อยหนึ่งก็ท่านก็ยังมีสติสัมปชัญญะมีความจำที่ดี <c oughs> ถ้ามีสติแล้วจะไม่หลงไม่ลืมที่หลงลงืมก็เพราะการไม่มีสตินี่ คำถามจากคุณสัญญาบาดค่ะเพื่อนกระผมบอกว่าเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็ได้ยินเสียงที่หาที่มาที่ไปไม่ได้เพื่อนผมควรต้องทำอย่างไรดีครับไม่ต้องสนใจเว ล, ลทาทำสมาธิให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เท่านั้นถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปสนใจกอดติดกับพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียว เเดียยยวทุอกออ่าางงมันจะหคำถามจากคุณกระหนกการค่ะลูกสามารถอดอาหารได้หกวันรู้สึกว่าการทำสมาธิดีขึ้นและหลังจากนั้นมาทานข้าวได้น้อยลงรู้สึกไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากหลังจากนี้สามารถอดอาหารเพื่อทำสมาธิต่อได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้ามันนาถ้าได้ผลดีจากการอดอาหารแล้วก็ทาต่อไปได้เรื่อย แต่ก็ต้องดูประมาณถ้าอดมากเกินไปแล้วเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายเราก็ต้องลดการอดให้น้อยลงร่างกายก็ยังต้องการสารอาหารตามปกติอยู่ฉนั้นต้องคอยดูร่างกายด้วยเวลาที่เราอดอาหารถ้ามันมีเกิดมีอาการ ผ, ผิดปกติที่มันไม่เคยเป็นมาเป็นตอนที่อดอาหารเราก็อาจจะต้องสำรวจดูว่ า, า จ, จะอดมากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าอดถ้าถ้ามันไม่มากเกินไป แล้เราก็อยู่แล้วก็ทำต่อไปเขาพระพุทธเจ้าอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันงั้นก็ต้องดูด้วยดูผลกระทบว่ามันมีผลกระทบทางทางร่างกายหรือไม่ถ้ามีเราก็อาจจะต้องลดการอุดอาหารให้น้อยลงคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณเบนส์หากมีคนชวนเราไปปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นที่มีการขอโชคขอลาบมีรูปปั้นต่าง ใจรู้สึกไม่อยากไปแต่อีกใจก็เห็นใจเขาที่ไม่มีเพื่อนไปเพราะไปที่นั่นแล้วเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างนี้ลูกควรจะทำอย่างไรดีคะก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะทำบุญกับเขาก็ไปกับเขาให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราอยากจะเราอยากจะไม่ไปเพราะาเราไม่เชื่อเพราะเราไปแล้วเราไม่สบายใจเราก็อยากไปอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาใครเอาเราเลือเอาคนอื่นเป็น เป็นหลักถ้าอยากจะให้เขามีความสุขก็ไปกับเขาถ้าไม่อยากจะถ้าอยากจะให้เรามีความสุขก็ไม่ต้องไปกับเขาคำถามจากคุณพานุสิทธ์ค่ะเวลาพยายามระลึกถึงความตายรู้สึกเศร้าและเครียดควรจะวางใจอย่างไรขอรับแสดงว่าใจเรายังไม่พร้อมที่จะรับความจริงเพราะยังไม่สงบพอก็ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆก่อน ให้จิตมีความนิ่งความสงบพอสมควรแล้วก็ลองไปพิจารณาความตายดูอีกทีนึงคำถามจากคุณดิมเปิลค่ะถ้ามีคนใกล้ตัวอยากฆ่าตัวตายควรจะแนะนำเขาอย่างไรเจ้าคะก็บอกว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือตัณหาความอยากความอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็อยากจะฆ่าตัวตายต้องฆ่าตัวกิเลสตัณหา ฆ่าความอยากถ้าฆ่าความอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วไม่ได้ดังใจพอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่ต่อไปได้การฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายนี้ตัญหาความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็อยู่ในจิตสร้างความทุกข์สร้างความเครียดต่อไปให้กับจิตให้ไปเครียดไปทุกข์ในอบายต่อไปหมดแล้วโอเค